ตอนที่ยี่สามจักรพรรดิก็หาใชื่ผู้ทรงผานุภาพไปเสียทุกอย่างเมื่อเทียบกับลื่นใต้น้ําที่ถาโถมในอวีภายในพระราชวังอวีเองก็หาได้สงบเงียบไม่ทว่าณพื้นที่ส่วนหนึ่งของพระราชวังหวีกลับดูเงียบสงบยิ่งนัก น, นั่นก็คือตําหนักกะลูกเมื่อคือนนี้ทั้งเกิดเหตุไฟไม่ทั้งมีอัสนีบาดฟาดลงมาชูหลิงย่อมทราบดีว่าต้องเกิดพายุลูกใหม่ขึ้นแน่แต่นั่นจะมีผลกระทบอันใดต่อเขามากมายกันเชียวหามีไหม นับตั้งแต่ย้ายจากตำหนักต้าซิงมาประทับที่ตำหนักกรลูชีวิตเขาก็แทบไม่ต่างจากเดิมคนนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่อาจเข้าใกล้เขาได้นอกตำหนักมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาอ้อหากจะบอกว่ามีสิ่งใดที่ต่างออกไปก็พอจะมีอยู่บ้างนั่นคือผู้ที่เฝ้ายามอยู่หน้าตำหนักเปลี่ยนจากทหารจิจวินมาเป็นเหล่าขันทีนักรบและอีกประการหนึ่งก็คือชูหลิงสามารถอ่านหนังสือได้แล้วหนังสือจํานวนมาก ม, ามหาศาล ในฐานะที่เป็นสถานที่สําหรับอ่านตําราของจักรพตริต่าอาวีภายในวังส่วนในตําหนักกะลูกจึงเป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการและพงศาวดานจํานวนมากหลังจากที่อาสนีบาดฟาดลงมาและชายที่ชื่อเซวีหนิงหายตัวไปชูหลิงก็ได้ใครยครวญอย่างหนักก่อนจะเริ่มอ่านตําราทุกประเภทเขาอ่านอย่างรวดเร็วประหนึ่งกว่าสายตาเพียงครั้งเดียวก็ผ่านไปสิบบรรทัดนี้ได้หวังจะแตกฉานในแก่นแท้ของตําราทุกเล่มเพียงหวังว่าจะอาศัยตําราเหล่านี้ปฏิบัติต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดการอ่านในครั้งนี้ทําให้ชูหลิงลืมเวลานอ น, อนไปเสียสิ้น อาจเป็นเพราะเหตุแห่งการฆ่ามิติชูหลิงพบว่าความจําของตนเองนั้นดีกว่าชาติก่อนอย่างเห็นได้ชัดทุกสิ่งที่ผ่านตาเขาสามารถจดจําไว้ในใจได้ทั้งหมดความจําอันเป็นเลิศพรสวรรค์เช่นนี้หากเป็นบรรดิตแห่งต้าอาวิย่อมต้องเป็นอัจฉริยะที่สวรรค์ประทานมาชื่อเสียงย่อมขจรกระจายไปทั่วลลากลายเป็นตํานานบทหนึ่งในแวดวงปัญญาชนแห่งต้าอาวียเป็นแน่ ทว่าน่าเสียดายที่ชูหลิงคือจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์แห่งต้าอาวี๋เมื่อพิธีบรมราชาพิเศษมาถึงชูหลิงจะกลายเป็นจักรพรรดิแห่งต้าอาวี๋อย่างเต็มตัวคงไม่อาจไปสร้างตัวตนปลอมเพื่อเข้าสอบชิงตำแหน่งจองหวนได้กระมังนั้นไม่ใช่สิ่งที่ชูหลิงควรทำก็น่าแปลกนักที่ต้าอาวี๋แห่งนี้กับยุคสมัยในชาติก่อนกลับมีส่วนที่คล้ายคลึงกันอยู่ไม่น้อยชูหลิงที่นอนอยู่บนต่างไม้ถือตำราวไว้ในมือพลางห้อยห้างครุ่นคิดเงียบๆ มีระบบการสอบเคิร์ตวีซึ่งเริ่มรุ่งเรืองขึ้นในสมัยต้าอาวีส่วนราชวงศ์ก่อนหน้านั้นใช้ระบบการเสนอชื่อมีใช่ระบบฉาตดวิรอกหรือเพียงแต่สิ่งที่ไม่สอดคล้องกันก็มีอยู่มากเช่นกันอย่างน้อยอนาเขตก็ไม่ตรงกันทวีแผงนี้ดูจะต่างจากแผ่นดินหวาเซียต้าอาวีกับครอบครองเพียงพื้นที่ส่วนกลางส่วนหนานเจ้าที่ถูกต้าอาวีตราหน้าว่าเป็นพวกกบฏ ท, ที่หลงเหลืออยู่นั้นอนาเขตที่ปกครองกลับมีได้เล็กไปกว่าต้าอาวีเลยที่สําคัญคือมีพื้นที่ติดทะเลถึง3ด้านแท้จริงแล้วทวีแผงนี้มีลักษณะ และนอกจากทวีปแผ่นนี้แล้วนอกเหนือจากท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ไรขอบเขตยังมีทวีปอื่นอีกหรือไม่หากมีจะมีการบ่มเพาะอารยธรรมขึ้นมาหรือไม่ยิ่งชูหลิงรับรู้มากขึ้นเท่าใดภายในใจก็ยิ่งทวีความอยากรู้อยากอยากเห็นมากขึ้นเท่านั้นว่าโฉมหน้าที่แท้จริงของโลกใบที่เขาอาศัยอยู่นี้เป็นอย่างไรชูหลิงเป็นถึงจักรพรรดิผู้สื่อราชสันติวงศ์แห่งต้าวิแล้วต่อให้จะเป็นเพียงหุ่นเชิดที่เป็นดังของมงคลประดับไว้เฉยเฉยแต่เขาก็คือจักรพรรด ดังนั้นมุมมองที่เขามองปัญหาจึงเป็นมุมมองของผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดหากวันใดที่เขาสามารถกลุ่มอานาจเบ็ดเสร็จและว่าราชการด้วยตนเองอย่างเป็นทางการเขาย่อมต้องเผชิญหน้ากับใต้ล่าแห่งนี้หากแม้แต่ใต้ล่าแห่งนี้เป็นอย่างไรชูหลิงยังไม่กระจังแจ้งแล้วภายภาคหน้าเขาจะทำหน้าที่จักรพรรดิได้อย่างไรเอียดเสียงเปิดประตูตาหนักขัดจังหวะความคิดของชูหลิงเช่นจั ก, กรพันดิผู้สื่อพระราชะสันติวงศเดจ เสีย ง, งยินชาสายหนึ่งดังขึ้นทําให้ชูหลิงขมวดคิ้วเล็กน้อยเพิ่งจะมาอยู่ที่ตําหน่ง ก, กะลู้เมื่อคือนอยู่ได้ไม่ทันไรก็ต้องย้ายอีกแล้วภายในใจของชูหลิงเริ่มเกิดความโกรธาต่อให้จะเป็นหุ่นเชิดก็ไม่ควรจะปั่นหัวเขาเช่นนี้ชูหลิงลุกขึ้นจากต่างไม้มองดูคนกลุ่มใหม่ที่เขาไม่คุ้นหน้าดูจากลักษณะแล้วคงจะเป็นขันทีนักรบที่ด้านหลังของกลุ่มคนเหล่านั้นชูหลิงเห็นร่างที่คุ้นเคยร่างหนึ่งหลี่จงเห็นได้ชัดว่านี่ต้องเป็นความประสงค์ของซานโฮเป็นแน่ ไปกันเถอะชูหลิงที่คาดเดาเรื่องราวเหล่านี้ได้ข่มความโกรธไว้ในใจทําถ้าจะสวมรองเท้าลุกขึ้นหัวหน้าขันทีนักรบเห็นดังนั้นจึงรีบก้มหน้าเดินเข้ามาหมายจะประนบัตชูหลิงให้หลี่จงมาประนบัตข้าทว่าคำพูดเพียงประโยคเดียวของชูหลิงกลับทำให้คนผู้นั้นชะงักฝีเท้าเหล่าขันทีนักรบที่รวมตัวกันอยู่ในตาหนักต่างพากันมองไปยังหลี่จงด้วยสายตาหวาดระแวง ภายใต้สายตาเหล่านั้นหลี่จงก้มสีสลงและรีบก้าวเดินเข้าไปเบื้องหน้าพระพักในยามนี้หัวใจของหลี่จงเต้นรัวเร็วขึ้นไม่น้อยชูหลิงอาจไม่ทราบสถานการณ์ภายนอกวังแต่เขานั้นพอจะทราบอยู่บ้างในอวีตูเริ่มมีกระแสวิพากวิจารที่มุ่งเป้าไปยังจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์แล้วเรื่องนี้ทําให้สารโ h กเรี่ยวยิ่งนักนับตั้งแต่เมื่อคืนเป็นต้นมาภายในพระราชวังหวีมีคนตายไปไม่น้อยทุกคนต่างตกอยู่ในความหวาดกลัวและผู้ที่ตายมากที่สุดก็คือเหล่าซื้อเหรินที่เพิ่งเข้ามาในวงใหม่ๆ คนเหล่านี้คือขันทีที่มีลำดับขั้นต่ำที่สุดในฝ่ายในเท่าที่หลีจงทราบมาในบรรดาซื่อเหรินที่ถูกสังหารไปนั้นกลับมีบางส่วนที่มีความสัมพันธ์อันคลุมเครือกับเหล่าผู้มีอำนาจในอวีตูเรื่องนี้จะปล่อยไว้ได้อย่างไรข้าต้องย้ายไปที่ใดชูหลิงที่นั่งอยู่บนต่างไม้มองดูหลีจงที่กาลังปนิบัิเขาจะกลับไปที่ตำหนักต้าซิงหรือทุนจั ก, กรพัฒผู้สื่อพระราชสันติวงศ์ หลี่จงใจหายว่ามือสั่นเทาโดยไม่รู้ตัวตําหนักตาซิงถูกไฟไม่ไปบางส่วนยามนี้จักรพัทผู้สื่อพระราชสันติวงศ์ยังมีอาจเสด็จกลับไปได้จักรพัทผู้สื่อราชสันติวงศ์ต้องเสด็จไปยังสวนหลวงพ่ายยาค่ะเช่นนั้นก็ไปกันเถอะชูหลิงเหลือบมองหลี่จงครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นจากต่างไม้ปฏิกิริยาเล็กน้อยของหลี่จงทําให้ชูหลิงมองออกว่าเรื่องในวันนี้ต้องเป็นความประสงค์ของซานฮู้แน่นอน เพียงแต่ชูหลิงไม่ทราบว่าการที่ซานโฮทำเช่นนี้มีใช่เพื่อป้องกันไม่ให้เขาอ่านตำราในตำหนักกระลูจนได้รับรู้ความลับอันใดทว่าชูหลิงกลับคิดไปในทางนั้นน่าเสียดายตำราล้ำค่าที่เก็บรักษาไว้ที่นี่เล่มที่ควรอ่านค่าก็ได้อ่านไปหมดแล้วจะให้พมนักอยู่ที่ตำหนักกรลูแห่งนี้ต่อไปหรือไม่ค่าก็หาได้ใส่ใจไม่ชูหลิงที่เดินออกไปนอกตำหนักมีสีหน้าเรียบเฉยทว่าในใจกลับบังเกิดความคิดขึ้นมาแต่สถานการณ์ที่ต้องยอมให้ผู้อื่นบงการเช่นนี้กลับทําให้ชูหลิงรู้สึกรังเกียจยิ่งนัก ดูถ้าจักรพัทก็หาใช่ผู้ทรงพานุภาพไปเสียทุกอย่างจักรพัทที่ไร้อำนาจทหารย่อมไม่มีใครเห็นอยู่ในสายตาทว่านยามที่ถูกเฝ้าระวังอย่างแน่นหนาเช่นนี้จะหาทางกลุ่มอำนาจทหารได้อย่างไรกันชูหลิงทราบสถานะของตนเองดีดังนั้นเขาจึงรู้สึกสับสนเป็นครั้งแรกว่าจะทําลายสถานการณ์ที่ตีบตอนนี้ได้อย่างไรโดยเฉพาะหลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆของต้า อ, ต อ, อวี แม้ชูหลิงจะรู้ว่าในเงามืดมีคนบางกลุ่มกำลังรอโอกาสที่จะเข้าหาเขาแต่พระราชวังหวีในยามนี้เรียกได้ว่ามีการป้องกันอย่างแน่นหนาโดยเฉพาะยังมีภูเขาใหญ่สามลูกขวางกันอยู่แม้คิดจะติดต่อสื่อสารก็ต้องหาโอกาสให้ได้เสียก่อนทว่าโอกาสนั้นอยู่ที่ใดแล้วไซวินหญิงผู้นั้นแท้จริงแล้วอยู่ที่ใดกันแน่ ในพริบตาที่เดินพ้นประตูตำหนักชูหลิงก็นึกถึงเซวีหนิงขึ้นมาทว่าความรู้สึกที่ต้องเป็นฝ่ายตั้งรับเช่นนี้ทำให้ชูหลิงรู้สึกอับจนหนทางยิ่งนักในยามนี้ดูเหมือนเขาจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรอคอยโอกาสเท่านั้นหิมะเริ่มตกลงมาอีกแล้ว เมื่อมองดูหิมะสีขาวที่โปรยปลายชูหลิงก็ถอนหายใจออกมาเบาๆทั้งภายในและภายนอกตําหนักกระโหลต่างถูกปกคลุมด้วยสีเงินยวงเหล่าขันทีนักรบที่ยืนประจําจุดต่างๆมีหิมะเกาะอยู่ตามร่างกายชูหลิงมองดูแล้วยังรู้สึกหนาวแทนทว่าพวกเขากลับยืนตรงานราวกับรูปปั้นหากมีช่ยเพราะดวงตาของเหล่าขันทีนักรบเพียงคงขยับเ ข, ขยื้อนอยู่เป็นพักๆชูหลิงคงคิดว่าพวกเขาแข็งตายไปเสียแล้วจักรพรรดิผู้สืบพระราชสันติวงศ์ลมแรงนักบ่าวจะสวมเสื้อคลุมให้พยคะ่ะ ชูหลิงยืนนิ่งอยู่กับที่ขันทีนักรบที่อยู่ข้างกายหลี่จงกง้มสีสะเดินเข้ามาหาชูหลิงไปกันเถอะชูหลิงที่สวมเสื้อคลุมแล้วกล่าวขึ้นคำหนึ่งก่อนจะเดินไปยังเกี้ยวหลวงที่วางรออยู่หน้าตำหนักจักรพัทนผู้สื่อราชสันติวงศ์เสด็จจักรพัทนผู้สื่อพระราชสันติวงศ์เสด็จ เมื่อชูหลิงเริ่มเคลื่อนไหวเสียงขานรับก็ดังระงมไปทั่วตําหนักกระลูกผู้คนที่ยืนอยู่ท่ามกลางลมหนาวและหิมะต่างพากันคุกเขา่าลงกราบไหว้ภายใต้ความนอบน้อมเช่นนี้ชูหลิงได้ก้าวขึ้นสู่เกี้ยวหลวงขบวนเสด็จรีบมุ่งหน้าไปยังทิศทางของสวนหลวงทิ้งให้ตําหนักกระลูกยังคงตั้งประงานอยู่ที่เดิมโดยไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง